พร้อมที่ยังของเราไม่เจอกันเดือนหนึ่งพัฒนาไหม้าไปเทศที่อื่นจำเป็นเฉลี่ยโอกาสให้กับคนกลุ่มอื่นบ้างเลยไม่ได้มาที่นี่เดือนหนึ่งก็กลับมาสอนที่วัดพบว่าเดือนหนึ่งนี้ญาติโยมก็พัฒนานะ มีพัฒนาการพวกเราเดือนหนึ่งมีพัฒนาการบ้างไหมมองเห็นบ้างไหมการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ของรูปรูปคลำคทํทำไปเรื่อยๆตามยถ า, ากรรมนะการปฏิบัติเนี่ยเราต้องคอยสังเกตตัวเองเป็นระยะระยะไปสองเดือนสามเดือนออย่างน้อยสามเดือนต้องสังเกต สามเดือนนี้มีพัฒนาการบ้างไหมคิดเป็นรายเดือนเนี่ยคงไม่ได้สั้นไปชักสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งเราทวนทอบทวนดูอย่างสม่ำเสมอถ้าหากผ่านมาสามเดือนเราเหมือนเดิมถือว่าใช้ไม่ได้ถือว่าใช้ไม่ได้ไไดต้องดีขึ้น การปฏิบัติเนี่ยในแต่ละวันนะบางวันเจริญบางวันเสื่อมอันนี้เป็นเรื่องปกติบางอาทิตย์เจริญบางอาทิตย์เสื่อมนะเป็นเรื่องปกติแต่ทุกคราวที่เสื่อมลงไปนะแล้วกลับฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยมันจะน่าจะมีพัฒนาการงั้นในช่วง3เดือนที่ผ่านไป6เดือนที่ผ่านไปปีหนึ่งที่ผ่านไปเนะี่ยเราจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองถ้าไม่พบเนี่ยต้องมีอะไรผิดปกติ เราต้องใช้ความสังเกตตัวเองสิ่งที่จะช่วยเราได้มากนะคือโยนิโสมนัสิการการสังเกตแยบคายนะมีความแยบคายในการสังเกตธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลมีระบบมีระเบียบนะมีแบบแผนที่ชัดเจนมีคำตอบนะว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรนะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องชัด ทำแล้วจะได้อะไรชัดเจนคําสอนของท่านไม่มีอะไรกําควมเลยยั้นถ้าเราศึกษาแล้วนะแล้วก็เอาคําสอนของท่านมาเป็นบรรทัด ฐ, ฐานในการวัดตัวเราเองอย่างถ้าเราภาวนาแล้วผ่านมาสมเดือนผ่านมา6เดือนเหมือนเดิมเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วนะมันไม่ควรจะคงที่แต่หลวงพ่อเคยผิดเป็นปีเลยนะไม่เฉพาะพวกเรานะหลวงพ่อก็ทําทผิดเมื่อก่อนนี้ ภาวนาแล้วจิตมันเคลื่อนออกไปอยู่ข้างหน้ามันสว่างมันว่างสบายมีความสุขกิเลสไม่ค่อยมีนานกิเลสจะโผล่ให้เห็นสักทีนะเรก็ดูทีแรกก็ว่าภาวนาดีต่อมาก็เริ่มเฉลียวใจเอ๊ะมันไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกแต่เราทําไมไม่เห็นทุกสักทีเราเห็นแต่สุขนะยิ่งภาวนายิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้น มันต้องมีอะไรผิดแล้วละ่ะเนี่ยการความช่างสังเกตเนี่ยไม่ว่าโยนิโสมานสิการเราไม่ได้สังเกตเอาตามใจชอบเราสังเกตเทียบเคียงผลการปฏิบัติที่กําลังเป็นอยู่เนี่ยด้วยคําสอนของพระพุทธเจ้ามันทําไมคงที่มันไม่เห็นนะไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกข์แล้วมีความสุขยิ่มอยู่อย่างนั้นนะอยู่ได้นานเป็นปีเลย วันหนึ่งมีโอกาสเจอหลวงตามหาบัวนะตอนนั้นที่วัดท่านคนยังไม่มากเหมือนตอนหลังๆท่านยังฉันข้าวอยู่บนศาลาชั้นสองที่บ้านตากนะันข้งบนขึ้นไปกราบท่านถามท่านว่าท่านอาจารย์พ่อแม่ครัวอาจารย์สอนให้ผมดูจิตดูใจผมดูจิตมานานนะทำไมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนะดูไม่ถึงจิตแล้วเนี่ยท่านเฉลยให้นะมาดูไม่ถึงจิตหรอกให้บริกรรมต้องเชื่อเรานะตัวนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวของเราเองเลยอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้หลวงพ่อก็มาบริกรรมพุทโธพุทโธใจไม่เอาพุทโธนะไม่ชอบบริกรรมเลยนึกดูทําไมท่านให้บริกรรมบริกรรมนั้นจะได้อะไรบริกรรมก็ได้สมาธิ สงสัยว่าสมาธิเราไม่พอจิตเราไม่ตั้งมั่นพอแทนที่จะบริกรรมหลวงพ่อก็ทำกรรมฐานที่ตัวเองคุ้นเคยทำอานาปนานสติหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ยหายใจไปไม่นานหนึจิตก็ถอยเข้ามาเข้าที่จิตกลับบ้านจิตเข้าฐานนี่เลยรู้เลยว่าโอ้ที่เราภาวนาแล้วมันไปว่างไปสว่างไปสบายนะโล่งอยู่มีความสุขอยู่เป็นปีเลยไม่เคยเห็นทุกข์เลย ทุกเนี่ยแทบไม่มีเลยกิเลส ก, ก็แทบไม่โผลเลยนึกว่าดีนึกว่าดีที่แทบไปติดความนิ่งความว่างเราทำผิดแล้วจิตเราไม่เข้าม า, มาที่ฐานเนี่ยใช้การสังเกตเอานะหรือบางทีภาวนานะสมัยหัดภาวนาก็ดิ้นรนเหมือนพวกเราเแหละก็คิดว่าทำยังไงจะปฏิบัติถูกทำไงจะปฏิบัติ ด, ดีกว่านี้ทำไงจะบรรลุมรรคผลนิพพานกับเขาบ้างนะี้ ก็อยากเป็นอยากได้อยากมีนะตามครูบาอาจารย์ก็มาหัดภาวนาหลวงปู่ดุลสอนนะเรื่องการนิพพานนิพพานนั้ไม่ยึดในรูปธรรมนามธรรมไม่ยึดทั้งรูปทั้งนามเราลองมาฝึกไม่ยึดอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้ก็มานั่งสมาธิจิตมันเคลื่อนไ ป, เ ค, นไปเคลื่อนไปหาอารมณ์ถ้าปกติที่เราภาวนากันนะถ้าจิตเคลื่อนไปที่อารมณ์แล้วก็จับอารมณ์ไว้เลย แล้วก็นิ่งอยู่งันได้สมถะนี่พอจิตเคลื่อนไปที่อารมณ์ไม่เอาถอยคืนมาที่ตัวผู้รู้จิตทวนมาถึงตัวผู้รู้นะเกือบเกือบจะถึงตัวผู้รู้แล้วไม่เอาตัวผู้รู้ถอยคืนไปหาตัวอารมณ์ถอยเข้าถอยออกนะเสร็จแล้วจิตมันสงบลงไปตรงกลางระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ตรงนั้นนะมันไม่มีความคิดความนึกความปรุงความแต่งอะไรนะเหลือแต่ธรรมชาติรู้อยู่อันหนึง่งสบายโล่งว่าง ไม่มีเวลาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเราโอนิพพานถ้าจะเป็นอย่างนี้นะต่อยออกมานิพพานน่าจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าฝึกตรงนี้มากๆคงจะนิพพานนี้ฝึกไปฝึกไปนะก็เกิดเฉลียวใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกต้อง ร, รู้กายรู้ใจใไหมเราไม่ได้รู้กายรู้ใจเลยเราไปฝึกอะไรอย่างหนึ่งไปฝึกจิตให้มันไปนิ่งอยู่ตรงกลางระหว่างอารมณ์กับจิตนะ เราไม่ได้ทําสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนงั้นตรงนี้ไม่ใช่หรอกต้องไม่ใช่ทางแน่นอนเนี่ยหลวงพ่อเคารพพระพุทธเจ้ามากนะมีการปฏิบัติอะไรนะจะเทียบเข้ากับคําสอนของพระพุทธเจ้าเสมอเลยถ้าไม่ตรงกันแล้วก็ไม่บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดนะแต่จะต้องรู้เลยว่าเราต้องทําผิดแล้วละ่ะระดับพระพุทธเจ้าไม่ผิดหรอกเนี่ยใจเราศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้า ไปถามครูบาอาจารย์ถามหลวงปู่เทศหลวงปูป่ผมภาวนาแบบนี้แบบนี้นะ่ะผมว่ามันเป็นสมาธินะหลวงปู่เทศท่าบอมันเป็นสมาธินะแต่ว่าไปไปเล่นนะไปฝึกไปซ้อมไว้ให้ชํานาญสมาธิแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีคนเล่นหาคนเล่นยากให้ไปเล่นต่ออนะไรพวกนี้หลวงพ่อก็เรียนท่านนะบอกว่าผมกลัวติด ท่านบอกถ้าติดนะมาหาอาตมาจะแก้ให้ท่านพูดอย่างนี้นะเราก็เล่นอีกนะเล่ น, นอยู่ด่วยวันหนึ่งไปเจอท่านอาจารย์บุญจัทนทร์วัดถ้ำผา พ, พึ่งท่านมาวัดสันติธรรมที่เชียงใหม่ท่านให้พระมาเรียกหลวงพ่อไปท่านก็ซักว่าภาวนา ย, ยัางไงไปเล่าให้ท่านฟังเนี่ยนะเคลื่อนไปแล้วก็ถอยมาเคลื่อนไปถอยมาแล้วก็หยุดลงตรงกลางท่านดูอเอา นิพพานอะไรงนั้นนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะยังมีการกําหนดจิตไปเข้านิพพานด้วยหรอในเรื่องของปลอมนะนิพพานไม่มีเข้าไม่มีออกนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับนะีนะ่ยพอถูกท่านดนะุใจเราแต่เดิมเราก็รู้ว่านี่มันไม่ใช่ทางอยู่แล้วนะแต่ว่าหลวงปู่ท่านจะให้ฝึกสมาธิให้มากหน่อยพอถูกดุใจก็ไม่เอาลนะใจไม่เอาเนี่ยหลวงพ่อเอาตัวรอดมาได้ด้วยการสังเกตเอา เราอยู่ไกลครูบาอาจารย์นานๆจะเจอครูบาอาจารย์สักทีหนึ่งทุกวันนี้เจอง่ายนะเปิดคอมพิวเตอร์ก็เจอแล้วขึ้นรถจะเปิดซีดีสมัยโน้นมันไม่มีจะไปอัดเทปท่านนะดีไม่ดีถูกท่านดูเอานะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะไปขออัดเทปเวลาท่านเทศนหลวงพ่อก็เคยนะสมัยนั้นเทปมันยังเครื่องโตอยู่อยากอัดเทปหลวงปู่ดูลมากเลยเอาไปกรมิดกรเเมี้ยนไป ไปวางข้างหน้าท่านทําไม่รู้ไม่ชี้นะท่านถามอะไรวิทยุอะไรนี่บอกเทปครับเทปอัดเสียงมันอัดได้ด้วยเหรอมันอัดยังไงอะไรอย่างเงีน้ยะท่านถามเดี๋ยท่านไม่ว่าฮลเลยรีบถามธรรมะท่านเลยนะอัดมาได้ด้วยประสบความสําเร็จมากเลยเทปวันนี้สําคัญมากเลยใครๆก็อยากฟังนะแล้วเขาก็เลยอยากได้หายไปแล้วยินฟัง ไม่ใช่ง่ายนะที่จะว่าไปขออัดเสียงอะไรหายากนะเวลาฟังธรรมะไม่นั่งจดยังไม่ได้เลยต้องภาวนานั่งภาวนาของเราไปท่านก็จะเทศให้ฟังพอจิตของเรากับธรรมะที่ท่านเทศมันพอดีกันนะจิตเราจะตื่นตัวขึ้นมาแเราก็สัมผัสธรรมะเข้าใจจะปิ้งขึ้นมาเข้าใจที่ท่านสอนขึ้นมาตรงไหนที่ยังไม่ใช่ธรรมะสาหรับเราเราก็นั่งสมาธิฟังไปเรื่อยทําความสงบจิตไปนะ แต่ไม่สงบลึกจนกระทั่งไม่ได้ยินอะไรเนี่ยแต่ก่อนนะไปเรียนธรรมะไม่ใช่ง่ายนะครูบาอาจารย์ก็อยู่ไกลบางองค์นั่นนั่งรถไปทั้งคืนต่อรถไปอีกครึ่งวันเึง่ถึงวัดทีก็ เ, เดินเข้าไปไกลๆไม่ง่ายทุกวันนี้ง่ายมีวีดีโอมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยนะช่วงที่ อยู่ห่างครูบาอาจารย์เนี่ยแหละหรือกระทั่งเรามีวีดีโอมีซีดีฟังแล้วก็ตามนะสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือความแยบขายในการสังเกตตัวเองเรารู้ได้ไงว่าคําสอนในวีดีโอในซีดีที่เราฟังนะตรงกับของเราจริงนะเรารู้ได้ยังไงว่าเราตีความถูกต้องจริงอาจจะตีความผิดก็ได้แล้วโอกาสที่จะตีความธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนผิดเนี่ยเป็นโอกาสที่มีมากกว่าตีความถูกซีก ตีความทีไรมักจะตีความเข้าข้างกิเลสเสมอเลยนะฟังธรรมะทีไรมันจะเข้าข้างกิเลสไปได้ยังไเราต้องมีความแยกไขนะอาศัยหลักที่พระพุทธเจ้าสอนศึกษาธรรมะเรื่องหลักๆที่ท่านสอนมาอย่างเรื่องอริยสัจ ต, ต้องเรียนนะทุกทุกคืออะไรทุกคือรูปคือนามคือกายคือใจนะหน้าที่ต่อทุกคืออะไรหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ตามความเป็นจริง สมุทัยคืออะไรสมุทัยคือตัณหาคือความอยากคือจิตที่มันหวิวโหยหน้าที่ต่อสมุทัยคือการละเนี่ยต้องค่อยๆเรียนแล้วต้องรู้ตรงไปจนถึงขนาดที่ว่าเมื่อไร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อมานะได้ยินหลวงปู่เหรียนเทศเรื่องนี้กันมาพอดีเลยเขาปิดไปพอดีเลยเราก็ลังฟังด้วยความชื่นใจว่าอดีเขาปิดไปจับฉลากแล้วกัท่านสอนเลยรู้ทุกข์การละ เหตุแห่งทุกข์นั่งพร้อมๆกันเลยเนี่ยของจริงของแท้นะมันจะลงที่เดียวอย่างนี้เลยลงเป๊ะเลยรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดระยะมักในขณะจิตเดียวกันนั่นแหละนี่ถ้าเรามาภาวนาเราก็สังเกตตัวเองวันนี้เรารู้กายรู้ใจรู้สึกทุกข์แล้วเกินเนี่ยวันนี้รู้ทุกข์อีกวันหนึ่งนะแม้ใจมีแต่ความอยากก็พยายามบอกใจอย่าอยากอย่าอยากเนี่ยวันนี้ล้ะสมุทัย อีกวันหนึ่งน้อมจิตให้ว่างเราบอกวันนี้อยู่กันนิโรธอันนี้ไม่ใช่การเจริญธรรมะในอริยสัจไม่ได้การทํากิจในอริยสัจละมั่วละทุกข์ก็อยู่วันหนึง่งสมูทัยอยู่วันหนึง่งนิโรธอยู่วันหนึง่งมรรคอยู่อีกวันหนึง่งอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรอกการปฏิบัติจริงๆแล้วเราต้องเรียนน ะ, ะธรรมะสำคัญสำคัญอย่างเรื่องอริยสัจต้องเรียนเรื่องไตรลักษณ์ต้องเรียนนะ เรื่องสติปัฏฐานเนี่ยต้องเรียนเนี่ยธรรมะหลักๆมีไม่กี่เรื่องหรอกพยายามเรียนไว้เรื่องอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรพวกนี้เรื่องขันท่านะควรจะเรียนไ้ในเรื่องหลักๆมีไม่มากนะนี่ถ้าเราเรียนเราเข้าใจตัวนี้การปฏิบัติเรามันจะมีทิศ ท, ทางไม่สเสปสปาะหรอกไม่งนเราภาวนาแล้วสเสปสปาะส่วนใหญ่นะภาวนานะก็ไปติดสองฝั่ง ข้างหนึ่งก็ไปคิดเอานะไปคิดเอาเช่นคิดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นฉันไม่ยึดอะไรแล้วฉันไม่ยึดอะไรแนละ้วมันก็ยึดความเห็นที่จะไม่อยากยึดอะไรนะไรั่นแหละยังไงก็อดยึดไม่ได้เพราะอะไรจิตเราเต็มไปด้วยวิชาตันหาอุปาทานนะทําไมมันจะไม่ยึดนะบางคนก็เข้าใจผิดนะจากว่าเนี่ยจิตนั้นโดยธรรมชาติตัวมันนะั้นประพัสสอน นะแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาเพราะงั้นเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยมันประพัสอนมันดีมันบริสุทธิ์อยู่แล้วศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ต้องทําเนี่ยมิจฉาทิฏฐิตัวจริงเลยคําว่าประพัสอนแปลว่าผ่องใสนะไม่ใช่แปลว่าบริสุทธิ์อย่างน้ําใสเนี่ยไม่ใช่น้ําบริสุทธิ์ยังไม่เห็นน้ําใสๆกินเข้าไปอะฮีวากีโ น, นะนะดั้นจิตที่ประพัสอนจิตที่ผ่องใสธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าไม่ไปยุ่งกับมันนะไม่ไปกวนน้ําให้ขุ่นตะกรนมันอยู่ที่เหมือนอยู่ก้อนโอค์ เอามือไปกวนน้ำในอ่งนะัตะกอนก็ขึ้นมาอนุสัยก็ซ่อนอยู่ในใต้จิตสำนึกของเรานี่นะพอมีสิ่งมากระทบมันมันก็แหว่งกิเลสมันก็ฟูขึ้นมาน้ำนี่ก็ขุ่นพอทิ้งไว้เฉยๆตกตะกอนกลับไปเป็นอนุสัยน้ำก็ใสหว่าจิตในใสนะใสยอย่างนี้ไม่เรียกว่าบริสุทธิ์เนี่ยเราต้องค่อยๆสังเกตเอานะพระพุทธเจ้าบอกว่านะธรรมชาติของจิตนะั้นประพุทสอน แต่เศร้ามองพระกิเลส ท, ที่จอนมาเมืันเหมือนน้ำสกปรกแต่ว่าตะกอนมันตกตะกอนเท่านั้นเองนะงั้นจิตของเราเนี่ยโดยตัวมันเองไม่ใช่ดีอยู่แล้วนะจิตของเราในขณะ น, นี้มันเลวอยู่แล้วนะมันมีเชื้อเลวที่ซ่อนอยู่ข้างในใจของเรามันพร้อมที่จะฟูขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามีสิ่งที่มากระทบงั้นการที่เราจะช้อนอตะกอนสกปรกออกไปนะเราก็ใช้ตะแกรงมาช้อนออกไปของหยาบนะก็ช้อนด้วยศีลนะอย่างกลางก็ใช้สมาธิสู้ อย่างละเอียดคือความโง่ความเข่าเนี้ยสู้ด้วยปัญญานะอย่างของหยาบอเช่นยังเห็นมีเศษผงอะไรลอยอยู่ในน้ำนะอย่างละเอียดก็เหมือนน้าที่ยังมีกลิ่นเจืออยู่นี่มีกลิ่นอะไรแปลกๆนียังไม่บริสุทธิ์ก็ต้องค่อยๆแก้ค่อยๆพัฒนาไม่ใช่อยู่ๆก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะจิต ด, ดีอยู่แล้วจิต ด, ดีอยู่แล้วอย่างนี้มิจฉาทิฏฐินี่สิ่งเหล่านี้นะเราต้องเรียนให้รู้นะ เรียนให้รู้แล้วลงมือปฏิบัติให้จริงนะต้องรู้ให้ถูกก่อนรู้วิธีปฏิบัติรู้ว่าเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรนะแล้วก็ลงมือทําไปทําแล้วมีผลยังไงก็ต้องรู้นะงั้นไม่งั้นสเปชสะปะเกินไปพอไหวไหมเนี่ยวันนี้เทศแบบง่ายนะวันนี้เวอร์ชั่นง่ายบางคนบอกหลวงพ่อยิ่งเทศยิ่งยากขึ้นไปเรื่ ๆ, ๆวันนี้เลยเทศให้ง่ายหน่อย พวกเราเรียนไปแล้วนะวิธีที่จะพัฒนาให้เกิดศีลให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญานะการที่จะพัฒนาให้จิตเราดีนะแรกเลยตือศีลไว้ก่อนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องการพัฒนาจิตใจนะพัฒนาจิตใจอันแรกฝึกจิตให้ตั้งมัน่นะฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจิตของเราตั้งมัน่นแล้วเราตืะเจริญปัญญาได้นะถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นเจริญปัญญาไม่ได้ นี่พอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่พูดภาษาไทยง่ายๆนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ล่องลอยหายไป ล, ลืมกายลืมใจตัวเองพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็มาถึงจะเจริญปัญญาได้นะขั้นจเจริญปัญญานี่เป็นอีกขั้นหนึ่งขั้นฝึกจิตให้ตั้งมั่นนี่เป็นอีกขั้นหนึ่งอย่างที่พวกเราเรียนคําว่าดูจิต ด, ดูจิตนะนี่หลวงพ่อมีหนังสือแจกเรื่องแกน่นทำคําสอนของหลวงปู่ดูลย์ ดูจิตมันมีหลายขั้นหลายตอนดูจิตให้เกิดสมาธินี่ขั้นหนึ่งดูจิตให้เกิดปัญญาเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งในขั้นของการทำสมาธินี่จะชอบดูจิตหรือไม่ไม่ชอบดูจิตก็ตามต้องดูจิตนะการจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยต้องรู้ทันจิตนะวิธีที่จะฝึกจิตให้ตั้งมั่นเรียกว่าจิตศิกขาเรียนเรื่องจิตอันนี้ทุกคนต้องเรียนถ้าไม่เรียนเรื่องจิตซะก่อนนะเราจะไม่มีจิตที่มีคุณภาพ เราเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพไปเจริญปัญญาจะทำไม่ได้จริงงั้นเราต้องมาเรียนนะถ้าจะเรียนให้พัฒนาจิตใจของเราและสิ่งเหล่านี้ต้องต้องเรียนเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้กว่าพระพุทธเจ้าจะสรุปเป็นคําสอนออกมาให้เราได้นะท่านผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่นานแสนนานนะยี่สิบมังงขัยแสนมหากัปนะมังงขัยหนึ่งก็สิยกกาลังร้อยสีถึงรนะ้อเนี่ยบางคนบอกไม่เหมือนกัน เลขหแล้วมีเลขศวนย์ตั้งร้อตัวไม่ใช่น้อยนะแล้วก็1เนี่ยไม่ใช่อะไรหนึ่งเนี่ยคือจักรวาลเกิดขึ้นจนจักรวาลแตกไปเนี่ยหนึ่งอ่ะหนึับอ่ะหมหากับแตกอย่างนี้นะนับไม่ท้วนเลยเยอะเลยเพราะฉะนั้นใช้เวลาลองผิดลองถูกเนี่ยนานมากเลยนะพระโพธิสัตว์ในท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะเนี่ยยาวนานพระพุทธเจ้าเราเร็วนะ รวทั้งหมด20อสงไขยสิบหอสงไข่เนี่ยยังไม่ได้รับพยากรณ์เสียสงไขยแล้วได้รับพยากรณพระเสียริยะเมตใจแปดสิบมาสงไข่ไขนะทามานานมากเลยกว่าจะได้เนี่ยได้รับพยากรณ์แล้วก็อีกสิอสงไข่ถึงจะได้ดังนั้นยาวนานยากลําบากมากเลยในการที่ท่านจะได้ธรรมะมาพวกเราจะไปคิดธรรมะเอาเองไม่ได้พวกเราต้องเรียนเพราะว่าบารมีเราไม่ถึงหรอกที่จะแจ้งธรรมะด้วยตัวของเราเอง คนที่แจ้งธรรมะด้วยตัวเองได้ถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามีสองกเท่านั้นเองนอกนั้ น, นีต้องฟังทำนในพวกเราเนี่ยบา ร, รมีไม่มากเท่าไหร่นะเราก็ต้องฟังต้องเรียนให้รู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นยำนะว่าการปฏิบัติจริงๆนะพัฒนาจิตใจไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้น มีบทเรียน3ามบทนะบทเรียนเรื่องศีลบทเรียนเรื่องจิตบทเรียนเรื่องการเจริญปัญญาดูเรื่องศีลเนี่ยเรื่องต้นตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนต่อมาก็มาพัฒนาสติให้รวดเร็วคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตบ่อยๆพอกิเลสเกิดที่จิตเรารู้ทันนะกิเลสจะดับไปกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้ทันทีที่เกิดสติกิเลสจะดับอัตโนมัติเนี่ยจิตมันไม่มีกิเลสครอบงําแล้วเนี่ย สีนัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นไม่ได้จงใจรักษาศนะีแล้วฝึกจนสีนัตโนมัติเกิดสมาธิล่ะสมาธิมาจากการฝึกจิตนะสมาธิมีสองขั้นตอนสองแบบสมาธิอย่างหนึ่งให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนี้เป็นสมาธิทั่วๆวไปในาศาสนาอื่นๆมีทั้งหมดเลยนะเป็นของทั่วไปเป็นของสาธารณะแต่สมาธิที่พระพุทธเจ้าควรพบเนี่ยคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน อันนี้หายากนะพวกเราเวลาหัดกรรมฐานกันนะเบื้องต้นไปนั่งสมาธิมันจะตกไปสู่สมาธิชนิดแรกเกือบทั้งหมดเลยนะยิ่งมา30ปีก่อนนะหาคนนั่งสมาธิแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสักคนหนึ่งเนี่ยยังหายากเลยนะไม่ได้หลวงพ่อพูดเองนะครบาอจารย์ออกปากเลยหลวงพ้าสอนเพื่อนไปกลุ่มหนึง10คนนะสิคนอนะไรเงี้ยนั่งรถตู้ไปหาท่านนะจิตตื่นขึ้นมาเนี่ย ท่านยังมองด้วยความทึ่งว่าไปรวมกันมาทั้ง10คน11คนได้ไงนะหายากนั้นสมาธิชนิดที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะตอนนี้พวกเราทำได้เยอะเราได้ฟังหลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะว่าสมาธิมีสองอันนะมาที่อันหนึ่งจิตไปเพ่งนิ่งอยู่ในรมันเดียวได้แต่ความสุขความสงบไม่เจริญปัญญาสมาธิชนิดหนึ่งจิตเป็นคนดูนะ ร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูกุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูเนี่ยมันจะมีจิตที่เป็นคนดูขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อ ร, รู้ตัวนะมันจะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตอย่างที่จิตเป็นได้แต่ถ้าเป็นจิตสมาธิชนิดเพ่งเนี่ยจะไม่รู้อะไรมันก็นิ่งอยู่อย่างนั้นไม่เกิดปัญญาและทุกวันเนี้ยพวกเราฝึกจนกระทั่งถึงจุดที่จิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยนับจํานวนไม่ถูกเลยนะ เนีย่ยพวกเราในห้องนี้รู้สึกไหมจิตเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่ค่อยเหมือนกันแล้วล่ะนะจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่ยเยอะแยะไปหมดนะนับจานวนไม่ถูกเลยพวกเราบางทีก็เที่ยวไปสํานักครูบาอาจารย์นะท่านเห็นนะบางองค์ท่านบอกเลยท่านเห็นหน้าท่านรู้แล้วนะนว่าลูกสิทธ์ใครท่านบอกอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อนะบอกถ้าเห็นปากก็รู้ว่าลูกศิทธิ์ใคร <c oughs> บางคนแล้วไปเจอตีเข้าไปทุกสํานักเลยนะอย่างนี้แล้วบอกลูกสิทธิ์หลวงพ่อประโมท นีสร้า hey. well, งความเดือดร้อนให้ครูบาอาจารย์ถ้าเราอภาวนาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเข้าไปครูบาอาจารย์ท่านเห็นนท่านั้นชื่นอกลื่นใจเออดีอะไรเงี้ยนี่ยเราต้องมาฝึกนะให้ใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีที่ใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานี่หนีไม่พ้นการดูจิตหรอกถึงจะหัดพุทโธพุทโธนะก็ต้องรู้ทันจิตถึงจะรู้ลมหายใจก็ต้องรู้ทันจิตถึงจะดูท้องของยุบก็ต้องรู้ทันจิต ถ้าไปรู้พุโทโธถ้าไปรู้ลมหายใจถ้าไปรู้ท้องก็ได้สมถะได้จิตที่ไปนแนบอยู่ในอารมณ์เดียวนะเพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยจะชอบหรือจะไม่ชอบก็ต้องดูจิตไม่งั้นเราจะไม่ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาวิธีที่เราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเราก็ทํากรรมฐานเหมือนเดิมแต่เรารู้ทันจิตแต่เดิมเราพุโทโธให้จิตสงบอยู่กับพุโทโธ หายใจให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจดูท้องพองยกให้จิตไปอยู่ที่ท้องสงบอยู่ที่ท้องเดินจงกรมให้จิตสงบอยู่ที่เท้าเมื่อก่อนเราทําสมาธิกันแบบนี้เดี๋ยวนี้เอาใหม่เราพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตไปเพ่งจอกระทั่งจิตนั้นนิ่งๆอยู่เรารู้ทันหายใจอยู่จิตหนีไปคิดเรารู้ทันนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันเนืรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งการเคลื่อนไปของจิตนั้นเคลื่อนไป2แบบเท่านั้นแหละ เคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งนะเป็นหลักๆเลยส่วนเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปลิ้มรสอะไรเนี้ยมีน้อยส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไปคิดแต่พอคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เคลื่อนไปเพ่งให้เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานี่แหละนะแล้วอย่าไปบังคับมันอย่าไปห้ามมันนะทันทีที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมางั้นครูบาอาจารย์หลายองค์เลยสอนตรงมาจุดนี้แต่ท่านไม่ได้พูดด้วยสำนวนที่หลวงพ่อพูด ท่านพูดด้วยสำนวนของท่านแต่ละองค์แต่ละองค์บางทีเราคนละยุคคนละสมัยเราฟังยากอย่างหลวงปู่ดูนบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดเนี่ยฟังแล้วเหมือนปริศนาธรรมนะความจริงพูดตรงๆเลยขณะที่คิดไม่รู้ขณะที่รู้ไม่ได้คิดแต่ต้องปล่อยให้จิตคิดไม่ใช่ห้ามจิตไม่ให้คิดนะพอจิตคิดไปแล้วจิตก็เคลื่อนจิตเคลื่อนเรารู้ท่านจิตก็ตั้งมั่นนะตรงที่จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตหลุดออกจากโลกของความคิดเป็นจิตที่รู้ขึ้นมา นั้นจิตรู้เนี่ยหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วในความเป็นจริงนะพระอราหันต์ก็คิดนะแต่ว่าจิตท่านไม่เคลื่อนนะจิตไม่เคลื่อนแต่พวกเราถ้าคิดนะจิตจะไหลเลยนั่นะเราไม่ห้ามนะหลวงปู่เดินบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดก็ให้มันคิดไปแต่คิดแล้วจิตเคลื่อนไปนะจิตเกิดอะไรขึ้นแล้วคอยรู้ทันแล้วก็จะเห็นเนะพารู้ทันว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่น หรือหลวงพ่อเทียนสอนให้ขยับมือนะท่านบอกขย่าวธาตุรู้ปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมานะท่านสอนเมื่อไรรู้ว่าจิตคิดเมื่อ น, นั้นจะได้ต้นทางการปฏิบัติต้นทางการปฏิบัติก็คือจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองนะงั้นเราก็ต้องมาฝึกนะครูบาอาจารย์แต่และองค์แต่และองค์พูดด้วยสำนวนที่แตกต่างกันนะถ้าครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่้จะบอกว่ามีผู้รู้นะสมัย30ปีก่อนหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์ท่านพูดต้องมีจิตผู้รู้มีจิตผู้รู้พูดเหมือนเหมือนกันหมดทุกวัดเลย ไปหาองไหนก็บอกให้มีจิตผู้รู้แล้วก็ฝึกให้จิตเป็นผู้รู้จิตฟิตเป็นผู้รู้ก็จิตหลุดออกจากโลกของความคิดนะวิธีให้ได้จิตผู้รู้ก็คือรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปคิดรู้ทันไหลไปเพ่งรู้ทันแล้วก็ได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาตรงนี้แหละเป็นต้นทางของการที่จะเจริญปัญญาจะชอบดูจิตหรือไม่ชอบดูจิตก็ต้องทําตรงนี้นะงันพวกเราทุกคนเนี่ยต้องให้จิตตั้งมั่นให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตหลุดออกจากโลกของความคิดแต่ไม่ได้ห้ามความคิดคิดได้ คิดแล้วรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตก็ตั้งมั่นเวลาลงมือปฏิบัตินะรู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปที่ลมหายใจให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่ลมหายใจจิตก็จะตั้งมั่นให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นนี่แหละคือการเรียนเรื่องจิตแล้วก็เกิดสมาธิขึ้นมาเมื่อเราได้จิตที่มีสมาธิแล้วก็ถึงขั้นของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตไม่ใช่ทุกคนต้องดูกายมันขึ้นกับจริตนิสัยนะแต่เรามีจิตที่ถูกต้อง เราฝึกจิตเป็นผู้รู้แล้วถ้าถนัดที่จะดูกายเหมาะที่จะดูกายเราก็ดูกายด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ถนัดที่จะรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นะเราก็รู้เวทนาไปแต่เรารู้ด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้เพ่งเราถนัดจะรู้จิตจะสังขารคือความปรุงดีปรุงชัว่วเช่นคนไหนขี้โมโหเราเห็นความโกรธเกิดบ่อยคนไหนขี้โลภเห็นความโลบเกิดบ่อยเนี่เรียกว่าดูจิตอันนี้เป็นจิตตานุปัสสนานะ อันนี้ดูจิตต่อเดิมเราดูจิตแล้วได้สมาธิขึ้นมาพอได้สมาธิแล้วเนี่ยบางคนไปดูกายบางคนไปดูเวทนาบางคนมาดูจิตตสังขารบางคนดูรูปนำทํางานวควบกันไปนะว่าแต่ละตัวแต่ละตัวมีกระบวนการอย่างนิวรณ์เกิดจากอะไรนะโพชฌงเกิดได้ยังไงน ะ, ะสปพติจาสมบาตทํางานยังไงนนท่านจะเห็นกระบวนการทํางานไม่เป็นธรรมานุปัสสนาแต่ก็ต้องมีจิตที่เป็นคนดูอยู่นั่นเอง งั้นการที่เราจะมาฝึกจนเรามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยเราถึงจะเจริญปัญญาได้ไม่ว่าจะดูกายก็ต้องมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจะดูเวทนาก็ต้องมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจะดูจิตตสังขารก็ต้องมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจะเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตก็ต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูงั้นการที่มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เองเป็นตัวที่จะแตกหักเลยว่าเราจะเจริญปัญญาได้จริงหรือไม่ ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเราไปลงมือเจริญปัญญานี่มันจะหลุดออกไปสองฝั่งพวกหนึ่งไปคิดเอาพวกหนึ่งไปเพ่งเงานะเพราะจิตที่ไม่มีคุณภาพมันจะหลงไปสุดโต่งสองข้างนั้นจิตที่เป็นทางสายกลางคือจิตที่มันเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นเองนะงั้นถ้าไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเราก็มาดูตัวเองว่าเราเหมาะที่จะเจริญปัญญาด้วยกรรมาฐานชนิดใดนะถ้าเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ย กรรามฐานที่เหมาะกับตัวเรานะคือกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนากายานุปัสสนาการดูกายเวทนานุปัสสนาการดูความรู้สึกสุขทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ดูแล้วมันจะได้อะไรมันจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้ไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนี่มันจะค่อยๆทำลายทำลายรากเง่าเลยนะท่านนิสัยมันรักกายอย่างรุนแรงเนี่ยพอมาเจริญกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจะเห็นเลยร่างกายไม่น่ารัก ร่างกายไม่ใช่ของดีของมิเศษเลยร่างกายมีแต่ทุกข์นะร่างกายมีแต th นะ่ th uk, ของแปลปรวนไม่สวยไม่งามไม่สุกไม่สบายมันดัดนิสัยล้างกิเลสกันซึ่ ง, ซ, งซึ่งหน้าเลยนะแบบหักหานกับกิเลสเลยนี่คนไหนมีจริตนิสัยช่างคิดชอบคิดมากเรียกพวกที่ถิจริตเจ้าวความคิดเจ้าวความเห็นเกิดอะไรขึ้นต้องมีความเห็นทุกเรื่องเลยใครเขาพูดอะไรฉันมีความเห็นทุกเรื่องเลยนะ ท, ทั้งทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวก็มี มีแล้วอดพูดไม่ได้อนอย่างนี้ตีกันเลยนะบางคนก็ไม่พูดแต่ว่าออกความเห็นตลอดเวลาใครเป็นแบบนี้บ้างได้ยินเรื่องอะไรก็ อ, ออกความเห็นอยู่ในใจนะอย่างนี้ถึงยีถูกอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีนะพวกนี้แหละเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตพวกทิฏฐิจริตเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะนะคือจิตตานุปัสนะและธรรมานุปัสสนะมันจะเห็นเลยว่าจิตของเราและสภาวธรรมทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่บังคับไม่ได้ เราจะไปมีความคิดว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรมันไม่ใช่เรื่องว่าควรหรือไม่ควรสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราเห็นว่าควรหรือไม่ควรมันจะล้างนิสัยช่างคิดเจ้าความคิดเจ้าความเห็นได้เฉียบขาดมากเลยเพราะฉนั้นเราดูนิสัยของตัวเองในขั้นของการเจริญปัญญาไม่ใช่เราเรียนกากอาจารย์ที่เจริญกายานุปัสนาเราจะต้องกายานุปัสนาไม่ใช่เราเรียนจากอาจารย์ที่ทํามาทางจิตตานุปัสนาเราจะต้องทําจิตตานุปัสนาเราต้องดูตัวของเราเอง ว่าเราเหมาะกับกรรมฐานชนิดใดเราต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานไว้สอย่างเราจะไปตัดเอาตามใจชอบม่าต้องอย่างเดียวเพราะอาจารย์ของเราทําอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกต้องนะอย่างหลวงพ่อเจริญกัญญาด้วยการดูจิตไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อพระมดต้องดูจิตทุกคนหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์ที่ดูกายทําไมหลวงพ่อไม่ไปดูกายอย่างท่านแล้วทําไมท่านไม่บอกว่าหลวงพ่อดูผิดนัวกูดเหรียญเนี่ยก็เรียนกับท่านนะ ไม่เคยพูดเลยว่าหลวงพ่อดูผิดนะาจารย์มหาบัวกขาไม่เคยว่าเลยนะทั้งท่านที่ท่านผ่านมาด้วยการดูไ ก, กาเข้าไปหาแต่ละองค์เนี้ยสอนต่อยอดเรื่องดูจิตให้ทั้งนั้นเลยเพราะอะไรพระจริตนิสัยเราเป็นคนเมืองแจ้งความคิดเจ้าวความเห็นนะทั้งคิดนะไม่ยอมง่ายๆนะอย่าครูบาอาจารย์สอนเะื่ว่าทะลึ่งก็ไม่เชิงนะมันจริงอย่างนั้นจริงๆหลวงปู่สอนนะหลวงปู่ดูลสอนนะแล้วท่านแย่เชื่อไหม ยังไม่เชื่อครับยังไม่เห็นเดี๋ยวผมจะไปลองทําดูนี่ท่านเอออย่างนี้ดีอย่างนี้ถูกนะใจมันไม่เชื่อไม่ใช่รบหลู่ครูบาอ า, าจารณ์นะครูบาอาจารย์นี่เคารพมากเลยท่านจะขึ้นที่สูงนี่เอาหัวไปลองให้ท่านเหยียบได้เลยนะเคารพสดหัวใจเลยแต่ว่าถามว่าเชื่อทุกสิ่งที่ท่านสอนไหมยังไม่เชื่อนะถ้าไม่ได้เห็นด้วยตัวเองเนี่ยใจมันเป็นอย่างนี้เนี่ยจริตนิสัยของพวกที่ทีจริตนะไม่ใช่พวกศรัทธามากด้วยไม่ใช่พวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามอะไรตรอง เนี่ยเราก็ต้องดูตัวเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานชนิดไหนแต่ไม่ว่าจะทํากรรมฐานชนิดไหนนะต้องทําด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำกรรมฐานเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกจิตจะสุดตรงไปสองฝั่งไม่ไปคิดเอาก็ไปเพ่งเงาอย่างถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปดูกายก็จะไปคิดเรื่องกายเช่นร่างกายประกอบด้วยอะไรร่างกายประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ผมเป็นยังไงผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่สะอาดแต่เดิมสีดำเดี๋ยวนี้สีขาวแต่เดิมมีมากเดี๋ยวนี้มีน้อยอะไรอย่างี้นะคิดเอาอย่างนี้นะไม่ใช่วิปัสสนานะแต่มันมันข่มรักะเท่านั้นเองเป็นกายกายคตาสติเป็นเรื่องของสมถะธรรมฐานหรือดูกระดูกนะกระดูกรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้คงไม่ถึงขนาดมีรสอย่างนี้นะ <g iggle> กระดูกตัวเองเรายังไม่เคยรู้รสนี่ยนะเนี่ยจะมาดูอย่างนี้คิดเอาจิตหลุดไปข้างสุดตรงข้างคิดไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานหรือสุดตรงไปข้างเพ่งพอรู้ลมหายใจจิตเป็นนิ่งอยู่ที่ลมหายใจไหมอย่างนี้ไม่ถูกล้ไม่เดินปัญญาหรอกดูท้องพองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องเนี่ยจิตไม่เดินปัญญาไปเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าและไม่เดินปัญญางั้นไม่จะสุดตรงไปสองข้างนะไม่คิดเอาก็ไปเพ่งเนา เพงกาก็ได้เพ่งใจก็ได้เนื้อสิ่งที่สุดโต่งสองงานที่ไม่ควรซ่องเสพเลยผู้ปฏิบัติไม่กลัวเนาสิ่งที่จะต้องฝึกให้ได้นัก็คือจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาเพราะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้เห็นสภาวะของรูปธรรนามาทำตามความเป็นจริงนี่แหละทำให้เกิดปัญญาได้ถ้าจิตเราไม่เป็นแค่ผู้รู้ผู้เห็นแต่มันเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมันเป็นปัญญาจากการคิดไม่ใช่ปัญญาจากการภาวนาร่างกิเลสไม่ได้จริง ข่มกิเลสได้ชั่วคราวแต่ล้างกิเลสไม่ได้จริงอย่างพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูุณสุภาษณข่นะมราคะได้ชั่วคราวนะเดี๋ยวราคะก็มาอีกแล้วแต่ถ้าเราเห็นความจริงทองแท้นะในรูปธปรรมนามธรรมาเนี่ยดูรูปลงไปเดียเห็นเลยร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆ ร, รูปนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะอันนี้ราคะขาดเลยนะแล้วไม่มาอีกแล้วหรือดูจิตดูใจไปหเห็นเลยถ้าจิตออกไปยึดอารมณ์ทางตาจิตก็ทุกข์ จิตไปยึดอารมณ์ทางหูจิตก็ทุกนะคือยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายนะจิตเคลื่อนออกไปเมื่อไหร่จิตทุกเมื่อนั้นจิตเมื่อไหร่ตั้งมั่นไม่ยึดเลยนะอย่างนี้ก็ได้ก็าล้างเหมือนกันแต่นี่เป็นการล้างของพวกที่ดูจิตนะจะเห็นว่าถ้าเข้าไปยึดกายเราจะทุกจิตไม่ไม่เข้าไปยึดกายนะเห็นกายไม่ใช่ของดีเลยเพรเข้าไปจับทีไรเดือดร้อนทุกทีนะเหมือนไปจับฐานไฟแดงๆขึ้นมาเลยเนี่ยถ้าดูจิตนะนจะเวลามันจะผ่านกายมันจะเห็นในกายนี้เป็นก้อนทุกนะ จิตเข้าไปจับนะเหมือนเอามือไปจับฐานไฟแดงๆเลยนี้หลุดเลยก็ไม่จับอีกล้นะถ้าดูมาทางกายก็จะเห็นในกายนี่หาสาระแก่นสารไม่ได้กายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ปล่อยวางกายนะนั้นปล่อยวางกายด้วยกันได้ทั้งหมดเลยนะสติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่ใช่เป็นสีขั้นตอนนะแต่ว่าขั้นด้านใดด้านหนึ่งนะทำกายนี่ก็ถึงที่สุดได้ผ่านได้ทุกขั้นดูจิตก็ผ่านได้ทุกขั้นนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะ จะไม่เหมือนที่คุยๆที่เล่าๆกันรุ่นหลังนะรุ่นหลังๆชอบสอนมาเบื้องต้นต้องดูกายเบื้องปลายไปดูจิตอะไรเงี้ยนะมันก็ถูกของท่านเหมือนกันเบื้องต้นมาแจ้งกายนะแต่จะแจ้งกายโดยใช้กายเป็นฐานก็ได้ใช้เวทนาเป็นฐานก็ได้ใช้จิตเป็นฐานก็ได้ใช้ธรรมเป็นฐานก็ได้นะแต่มันจะแจ้งกายก่อนก็ถูกของท่านนะท่านไม่ได้สอนผิดหรอกแต่ว่าการที่จะมาแจ้งในกายจะเห็นว่ากายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่มาได้ทางเดียวนะมาได้สี่ทาง พระสติปัฏฐาน4ีเนี่ยเหมือนประตูเมืองสี่ด้านเข้าด้านไหนก็ได้ทั้งสิ้นเลยเข้าแล้วก็เข้าถึงเมืองเหมือนกันแล้วเข้าถึงพระนิพพานเหมือนกันถ้าเราดูจิตดูใจนะนก็ผ่านกายมาได้ดูกายมานะก็ผ่านจิตได้นะเพราะอะไรเพราะจิตเป็นคนดูนะเห็นแล้วว่ากายนีย้หาสาระแก่นสารไม่ได้จิตวางกายจิตก็เด่นดวงขึ้นมาเนะพราะจิตเด่นดวงขึ้นมาท่านก็ไม่มีกายจะดูแล้วไม่มีกายให้ศึกษาถ้ามาศึกษาจิตต่อแล้วก็พ้นไป งั้นบางทีครูบาอาจารย์ที่ท่านเดินมาทางกายเนี่ยท่านถึงสอนบอกเบื้องต้นให้ดูกายเบื้องปลายไปดูจิตนะแต่ครูบาอาจารย์บางท่านที่ท่านสอนข้ามเลยข้ามมาที่จิตเลยก็มีอย่างหลวงปู่ดุลกงทั่งตัวหลวงปู่ดุลเองนะขั้นแรกเลยที่หลวงปู่มั่นเจอหลวงปู่ดุลองปู่ดูลไปเจอหลวงปู่มั่นที่อุบลหลวงปู่มั่นก็สอนพุทโธพิจหนักกายนั่นแหละท่านพุทโธพิ่หนักกายนั้นเข้าใจธรรมะเบื้องต้นเท่านั้นนะมหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนดูจิตเลย การดูจิตที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลูก็คือให้รู้ทันความไม่เที่ยงของสัญญาคือความจําได้หมายรู้และสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วของจิตเช่นเห็นจิตมันปรุงดีจิตมันปรุงชั่วปรุงดีเกิดแล้วก็ดับปรุงชั่วเกิดแล้วก็ดับให้เห็นความเป็นอนัตตาของสัญญาแล้วก็ของสังขารคือความปรุงแต่งทัง้งหลายเนี่ยท่านมาดูนะบารมีท่านเต็มท่านดูอยู่ไม่กี่เดือนนะท่านก็แจ้งในอริยสัจ นะพวกเราถ้าบารมีน้อยเราก็ดูนานหน่อยนะถ้าบารมีมากเกิดบารมีมหาศาลนะดูเจ็ดวันเราเป็นพระอราหันต์แจ้งอริยสัตว์อย่างนี้นะโอหลวงพ่อก็ดีใจด้วยหลวงพ่อทำไม่ได้หรอกกระตอะกระแตะมาเรื่อยแหละนะไม่เก่งอย่างพวกเรารุ่นหลังเราแก้งนะเก่ ง, กงพูดธรรมะได้ชอดๆเลยเราพาวนาแล้วอโอ้ยพูดไม่ออกหรอกนะแต่ก่อนนะเมื่อพูดเป็นทีหลังหรอก สังเกตนะค่อยๆศึกษาไปศึกษาไปวันหนึ่งก็เข้าใจเข้าใจแล้วเราจะรู้เลยว่าที่พระพุเทธเจ้าสอนเนี่ยไม่มีคลาดเคลื่อนเลยคำสอนของท่านน่าอัศจรรย์จริงๆทําคนให้กิเลสหนาปัญญาหยาบอย่างเราเนี่ยให้พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะพ่อแม่เรายังทําไม่ได้เลยพ่อแม่เราจะพาเราพ้นทุกข์ได้ไหมไม่ค่อยได้บางทีเพิ่มทุกข์ให้เราอีกนะเราชอบคนนี้พ่อแม่ไปชอบอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะนะ ออบอกให้เราจีบคนนี้เราก็ไม่อยากจีบอะไรเงี้ยเราอยากจีบหลายคนอะไรเงี้ยนะะเียาบางทีพ่อแม่ก็นำความทุกข์มาให้แต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นพระเจ้าเนะีชี้ทางตอดโปรงสว่างสวัยจริงๆนะอัศจรรย์ท่านได้มาด้วยความยากลำบากนะเอามาสอนอย่างยากลำบากการแสดงธรรมะการประกาศธรรมะเนี่ยเหมือนฝาคมหอกคมดาบนะ ฝากขมหอบขมดับแท้ๆเลยถ้าสมัยพุทธกาลก็ฝากข่มหอบคมดับมานะมาถึงยุคนี้ประกาศธรรมะก็ฝากข่มหอบขมดับตลอดเวลาเลยนะพระเจ้าก็ต้องสู้ใช่ไหมสารพัดเลยใช่ไหมสู้กับมิจฉาทิฐินานาชนิดเลยสำนักนั้นสำนักนี้อะไรเงี้ยบางคนก็วางแผนร้ายนะจะฆ่าท่านก็มี จางผู้หญิงมาทําเป็นท้องกับท่านก็มีมีเลขกวนอุบายมากมายเหลือเกินที่จะทำลายกว่าท่านจะประดิษฐ์ฐานศาสนาได้นะก็ยากลําบากมากเลยนะกว่าท่านจะได้ธรรมะมาก็ยากมากแล้วกว่าจะประกาศธรรมะให้ดํารงอยู่นก็ยากมากอีกนะพวกเราได้ผลประโยชน์จากพระพุทธเจ้านะเราได้เรียนธรรมะอย่างง่ายๆเราประหยัดเวลาไป20่สอสงไขยแสนมาหากรัมแล้วนะนะ เราประหยัดเวลาได้ขนาดนั้นนะถ้าเราฟังธรรมะเข้าใจที่ท่านสอนเราลงมือปฏิบัติเนะี่ยเราประหยัดเวลามากกว่าท่านมากเลยนั้นสาวกเนี่ยใช้เวลาไม่นานพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละวงใช้เวลาลองผิดลองถูกนานนี่เมื่อเราเข้าใจหลักที่ท่านสอนนะเราลงมือปฏิบัติ ด, ดูเราพบว่าชีวิตของเราเปลี่ยนเราเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงนะเคยไม่เคยรู้สึกกายไม่เคยรู้สึกใจสามารถรู้สึกกายรู้สึกใจได้ เคยเห็นว่าร่างกายเนี่ยคือตัวเราร้อยเปอเก็เริ่มเห็นแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเคยเห็นจิตใจเนี่ยมีเซลล์จัดแต่เดิมไม่เคยเห็นเราเห็นนะก็ค่อยๆพัฒนาไปเห็นกิเลสเห็นอะไที่ซ่อนอยู่ในตัวเองเนี่เราค่อยๆพัฒนานะใจเราก็ค่อยสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเราก็จะเกิดความมั่นใจว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอัศจรรย์จริงพราะพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์ธรรมะของท่านอัศจรรย์พระสงค์ที่ปฏิบัติตามก็อัศจรรย์ ทําไมเหมือนวัวเหมือนไกวนะเรียนธรรมะของท่านแล้วก็ผ่องใสขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนี่เราจะเคารพแน่นแฟนในพระรัตนตรัยมากเลยนะเหนียวแน่นมากเลยเหนียวแน่นเพราะเราเห็นความจริงแล้วว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะั้นเป็นของจริงของแท้เห็นด้วยตัวของเราเองนี่แหละไม่ใช่เชื่อเอาน้อมใจเชื่อเอางั้นเรามีหน้าที่เรียนให้รู้เรื่องว่าท่านสอนอะไรการปฏิบัตินั้นทําอย่างไร การปฏิบัติในขั้นของการมีศีลทำอย่างไรการปฏิบัติในขั้นที่จะให้จิตสงบทำอย่างไรการปฏิบัติในขั้นที่จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำอย่างไรการปฏิบัติที่จะให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเกิดปัญญานั้นทำอย่างไรการรู้กายนี่รู้ลงปัจจุบันขณะการดูจิตเนี่ยนะดูสืบเนื่องกับปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันสันติเนี่ยต้องดูต้องรู้นะต้องค่อยคยเรียนสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเทศไปเยอะนะ พวกเราพยายามไปฟังซีดีเข้าฟังแล้วฟังอีกลูกเล็กเด็กแดงเข้าฟังเขาก็ภาวนาเป็นนะเยอะแยะไปหมดแล้วตอนนี้คนภาวนาเป็นเนี่ยเยอะแยะไปหมดละแล้วคนน่รักพระพุทธเจ้าเยอะขึ้นนะยุค ข, ของเราเนี่ยเรารู้เลยว่าท่านมีจริงๆไม่ใช่นักปรารถณ์คำว่านักปรารถนะ์น่ะต่ําต้อยเกินไปแต่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเหนือกว่าคําว่านักปรารถ์มากเลยไม่ใช่คิดเอาท่านสอนสิ่งซึ่งเราลงมือทําแล้วเราพ้นทุกข์ได้จริงเห็นต่อหน้าต่อตาได้จริงเลย แล้วลงมือปฏิบัตินะเรียนสิ่งที่ท่านสอนให้แม่นแล้วลงมือปฏิบัติให้มากนะอย่าให้ใจหลงไปสู่ความสุดโต่งสองด้านข้างหลงไปข้างคิดเพลิดเพลินตามกิเลสไปหลงฟุ้งซ่านไปกระทั่งคิดธรรมะก็ฟุ้งซ่านนะหลงข้างเท่งก็ตึงเครียดไปเพ่งกายก็ตึงเครียดเพ่งจิตใจจิตใจก็ตึงเครียดจนแน่นๆขึ้นมาก็ไม่ใช่ทางนะเรามาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ก่อนพอได้จิตเป็นผู้รู้เราก็ดูกาย ดูเวทนาดูจิตดูธรรมไปดูกายก็มีจิตเป็นคนดูดูเวทนาก็มีจิตเป็นคนดูอย่างน้อยต้องแยก2ตัวแยกขันออกไปเป็นสองอันอย่างน้อยนะต่อไปก็จะแยกได้5ขันเห็นเลยแต่ละขันไม่ใช่ตัวเรามันจะแยกได้เองนะค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนาไปสุดท้ายจะรู้เลยในขันห้าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันห้าด้วยที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีตัวเรามีแต่สภาวะธรรมที่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปทั้งสิ้นเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้นะเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรม หลังจากนั้นก็ภาวนาต่อไปดูกายดูใจต่อไปนะจนเปนแจ้งขึ้นมากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตมันก็หมดความยึดถือในกายนะก็เป็นพระอนาคกานะไม่ยึดในรูปพอไม่ยึดในตัวรูปแล้วเนี่ยมันจะไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ยึดในกามนั่นเองนะแต่ยังไปยึดรูปมีรูปนะรูปเพ่งรูปเนี่ยชอบเพ่งรูปอย่างเพ่งกสินเพ่งอะไรเนี่ยยังชอบเพราะเพ่งแล้วจิตสงบจิตสบายอันนั้นไปติดรูป เรียกว่าเป็นมีรูปปราคะไม่ใช่การมราคะนะท่านล้างการมราคะคือความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสรูปคือสิ่งที่ตามองเห็นนะสิ่งที่หูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้พระอนาคามีท่านไม่ติดถ้ารู้ว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆนะเนี่ยท่านมีปัญญาท่านก็ผลขึ้นมาเป็นลําดับนะขั้นสุดท้ายนะี่ท่านมีปัญญาแก่รอบท่านเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์พอเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์นะ บางท่านก็เห็นว่าจิตไม่เที่ยงท่านสลัดทิ้งเลยพวกที่ท่านศรัทธามากๆพวกศรัทธามากจะมาตรฐานสูงคิดว่าจิตเป็นของดีของวิเศษพอต่อมาเห็นว่าจิตยังหมองๆได้แค่เนี้ทนไม่ได้แล้วเสียมากเลยหมดศรัทธาเลยโยนจิตทิ้งเลยนะพวกนี้ผ่านไปได้ง่ายๆเลยด้วยการเห็นความไม่เที่ยงพวกที่ส่งสมาธิมากนะต้องเห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่ปล่อยวางจิต พวกที่ปัญญาแก่กล้านะท่าเห็นจิตเป็นอนัตตาท่านก็ปล่อยวางจิตรวมความแล้วก็คือเห็นจิตเนี่ยหาสาระแก่นสารไม่ได้แล้วปล่อยวางจิตเมื่อปล่อยวางจิตไปแล้วเนี่ยจิตจะแปลสภาพไปจิตของเราเนี่ยมีจุดมีดวงมีขอบมีเขตมีที่ตั้งมีที่ไปมีที่มาสภาพจิตหลังจากที่ปล่อยวางจิตไปแล้วมันจะแปลสภาพไปเหมือนจิตกระทำนั้นรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะจิตหลวงปู่ดูลนท่านสอนเลยว่าจิตเน้น้ำ ไม่มีรูปร่างเลยนะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีรูปร่างไม่มีอาการปรากฏนะแล้วภายนอกเนี่ยไม่มีขอบเขตไม่มีรูปร่างภายในนะเหมือนต้นเหมือนท่อนไม้และก้อนหินคือไม่มีความเคลื่อนไหวภายในจิตของเราเคลื่อนไหวภายในนึกออกไหมเคลื่อนกระชอกไปกระชอกมาตลอดเวลาข้างนอกก็มีขอบเขตรู้สึกไหมมีจุดมีดวงมีที่ตั้งอยู่เนี่ยถ้าจิตเราพาวนาจนปล่อยวางจิตเราจะไม่มีอย่างนี้เนี่ยหลวงปู่ดุลสอนมานะ บอกภายนอกเนี่ยก็ไม่มีรูปร่างนะภายในเหมือนต้นไม้และก้อนหินคือไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆภายในเลยนะจิตกับธรรมนั้นรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันจิตกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันนะด้วยความบริสุทธิ์นะไม่ใช่ว่าสาวกจะไปเท่าเทียมพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านั้นมีพระกรุณาสาวกไม่มีกรุณาเท่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีปัญญาสาวกไม่มีปัญญาเท่าพระพุทธเจ้า รพระพุทธเจ้ามีความบริสุทธิ์สาวกมีความบริสุทธิ์ลักษณะเดียวกับพระพุทธเจ้าเสมอกันด้วยความบริสุทธินั่นเองพระธรรมก็เป็นของบริสุทธิ์พระสงฆ์ที่แท้สุดขีดเลยก็คือความบริสุทธิ์นั้นจะรวมกันเข้าเป็นความบริสุทธิ์นั่นเดียวกันนะจิตกับธรรมนั้นรวมเข้าเป็นนั่นเดียวกันจิตกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นนั่นเดียวกันนะเป็นธรรมะล้วนๆเลยนะตรงนั้นนะถ้าเราพาวนาถือตัวนี้เราก็ไม่ม <asi S 2> <es> <ว>ีความทุกข์นะ อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบเข้าที่ขันแต่มันจะไม่เข้ามาที่จิตแล้วจิตจะไม่มีความกระเพื่อมบันไหวได้ใดเลยนะพวกเราฝึกนะพวกเรามีโอกาสทุกคนที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะถ้าไม่ล้าเลยนะวันนึงก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงบรมสุขที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนสอนต่อต่อนะหลวงพ่อก็ฟังท่านมานะมาบอกต่อต อ, อยู่ที่พวกเราจะต้องภาวน า, วาเองนะวันนี้เท่านี้ก็พอนะ แ, แค่นี้มันก็หมดแล้วลนะ่ะ สอนที่ไรมาจบลงตรงหมดกิเลส ท, ทุกทีเลยนะเราก็เ ด, ดินไค่สอนเราก็เ ด, ดินให้ไก่ปลาลบบอกว่าการแสดงธรรมน่กแปลกนะอยู่ๆพูดเรื่องการแสดงธรรมต้องให้ได้ทั้งอัฏถะและก็รสชาติของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทให้ครบนะท่านสอนอย่างนี้แปลก งันต้องมีปริยัตปฏิบัติปฏิเวท <ừ. S 1> เรียงร้อยเป็นสายงดงามมีรสชาติอะไรยนอะร่อยมากเลยนะถ้ามาภาวนาให้ถึงอกถึงใจวันนึงก็ได้ปฏิเวทการที่เราฟังหลวงพ่อเนี่ยเรียกว่าปริยัติการที่เราคอยเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเรียกว่าปฏิบัติการที่เรารู้ความจริงของกายของใจเรียกว่าปฏิเวทนะอ่ะทำนี้มีไหมใครจะส่งกันบ้างครับ เป็นสมัคบา้านครั้งแรกครับก็ฟังซีดีมานะครับเข้าใจว่าตัวเองดูไกลดูฉีดได้แล้วแต่ช่วงช่วงหลังๆมานี้ก็สื่อว่ามีอัตราตัวตนค่อนข้างเยอะท <c oughs> ีนี้อยากจะทราบว่าปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าแล้วต้องแก้ไขอะไรบ้างนะฮะถ้าเห็นกิเลสได้นะก็เก่งมากแล้วนะกิเลสเนี่ยเยอะแยะเลยโดยเฉพาะเราเห็นอัตราตัวตนได้เนะี่ยเก่ง แต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือจิตเรานี้มีสมาธิพอไหมให้จิตเราตั้งมั่นจริงหรือเปล่าเข้าถึงฐานจริงหรือเปล่านะบางทีจิตมันจะกระจายกว้างๆออกข้างนอกนะจะกระจายว้างๆโล่งๆว่างๆก็มนะีถ้าจิตกระจายออกนอกเนี่ยต้องพยายามย้อนมาดูกายดูใจยังเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์อยู่ไหมก็มีครับปัจจุบันก็คือทําบริกรรมนะเป็นประจําอยู่แล้วเออบริกรรมนะเราจิตเคลื่อนไปเรารู้นะ รครับเอออย่างนั้นใช้ได้พอจิตมันตั้งมั่นนะเห็นเลยกายมันไม่ใช่ตัวเรานะออจิตไม่ใช่ตัวเรานั่นแหละอย่างนั้นถูกนะดีไปทําอีกอบคครันมาส ก, การหลวงพ่อค่ ะ, ะได้เริ่มปฏิบัติในใ น, ในแนวทางของหลวงปู่ดูลมาระยะหนึ่งพระอาจารย์ก็มรณภาพก็เลยเหมือนกับขาดที่ยพึ่งก็ได้ฟังซีดีของหลวง<อ>พ่อต่อท่านหลวงปู่ดูลนะค่ะเออ แต่ว่าก็ได้ในระยะสั้นๆเท่านั้นเองค่ะปัจจุบันนี้เวลาเวลาฝึกเนี่ยจะตางอารมณ์ได้ดีขึ้นบ้างแต่ว่าไม่สามารถระงับอารมณ์ได้ใ น, รในห ร, รั้นะให้รู้นะไม่ใช่ให้ระ ง, งับค่ะให้รู้อย่างที่เขาเป็นแล้วหลวงปู่สอนอะไรให้จริงๆหลวงปู่ท่านสอนให้ เรื่องของการไม่ส่งจิตออกนอกคือให้ให้ให้จับตัวผู้รู้ผู้ถูกรู้นะคะการให้เู้นตรงนั้นเป็นหละนะคะเราได้ผู้รู้อย่างเป็นบางครั้งล้วจิตไหลไปรู้ทันนะเราได้ตัวผู้รู้เห็นไหมหลวงปู่ดูลสอนนี่มีพยานอีกคนแล้วเบื้องต้นก็ต้องมีตัวผู้รู้ขึ้นมานะพอมีตัวผู้รู้แล้วก็เดินปัญญาเพิ่นหลวงปู่สิ้นไปก่อนเลยยังไม่ได้เรียนเรื่องเจริญปัญญา อย่างเลยค่ะท่านก็บรรลักภาพไปตลอดเชลยปัญญานะถ้าจะดูจิตเนี่ยใช้หลักจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปจงทำยานเห็นจิตไม่ใช่ทําสติยานแปลว่าปัญญาเห็นอะไรยานจะเห็นไตรลักษณ์เห็นจิตนั้นแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะเราเป็นแค่คนดูเหมือนตาเห็นรูปเหมือนเห็นรูปมันเคลื่อนไหวเนี่ยเราไม่เข้าไปยุ่งกับรูปอย่างคนเขาขยับมือเงี้ยเราสั่งว่ารูปนี้จงหยุดนิ่งได้ไหม เราสั่งไม่ได้เราไม่เข้าไปแทรกแสงนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่แทรกแสงตามมองเห็นรูปตาไม่เคยแทรกแสงรูปจิตไปเห็นจิตจิตเนี่ยไปแทรกแสจิตนะให้รู้อย่างที่เป็นใจยังคิดแทรกแสอยู่นะคิดว่าเออให้รู้ทันตัวนี้แหละใจไม่เป็นกลางเพราะฉะนั้นให้รู้สภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่จิตแต่ถ้ารู้แล้วเกิดยินดีให้รู้ทันเกิดยินร้ายให้รู้ทันเรื่อยไปแล้วทุกวันต้องซ้อม นะพุโทโธหายใจอะไรแล้วจิตไหลไปเข ร, รู้ทันจะได้ตัวผู้รู้ที่เข้มแข็งพอดีก็เพื่อนได้ชวนไปเข้าคอร์สวิปสัสสนเนี่ยก็จะเอ่ยชื่อนะค่ ะ, ะท่านอาจารย์ก็ได้สอนว่าให้หัดบริกรรมแล้วก็อาจารย์ก็ได้ถามว่าส่วนตัวปฏิบัติอย่างไรก็ได้เรียนท่านว่าได้ตามตัวผู้รู้ซึ่งท่านก็บอกว่าสิ่งที่ทําอยู่คือการที่พยานยรู้ผู้รู้เนี่ย ไม่ได้อยู่ในพระตรายปีดกขอให้หยุดทามและให้มามาบรู้ารกน็ก็รู้สึกสับสนนะคะคือพยายามกลับมาบริการแต่รู้สึกว่าพอสมควรที่สับสนนะเรียนหลายที่ก็ต้องสับสนเลยก็เลยไม่รู้ว่าต้องต้องต่อยังไงนะคะอาจารย์ต่อนะก็คือดูถ้าเราเห็นตัวผู้รู้นะตัวผู้รู้คืออะไรคือจิตนั่นเองนะ จิตเดียวก็สงบจิตเดียวก็ฟุ้งซ่านจิตเดียวก็ดีจิตเดียวก็ร้ายจิตเดียวก็เป็นผู้รู้จิตเดียวก็เป็นผู้คิดเฝ้ารู้เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยถ้าอย่างนั้นยังควรจะต้องบริกรรมแล้วก็ตามดูเรื่องของการบริกรรมของเราต่อหรือไม่คะหรือว่าบริกรรมเนี้ยทำทุกวันแต่ว่าพอหมดเวลาบริกรรมเนี้ยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขให้รู้ทันเกิดทุกข์ให้รู้ทันเกิดกุศลอกุศลให้รู้ทัน เมื่อเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลแล้วนะจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันนะใช่หลักนี้นะของคุณมีปัญหาใหญ่นะคือคิดมากไปนะหยุดหยุดซะนะแล้วก็มารู้สภาวะให้เยอะให้เน้นที่จิตของหลวงเมื่อสักครู่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องของการดูผู้คิดมากให้ดูจิตแล้วก็ผู้ที่รัตนาให้ดูร้ายอยู่ในตําราเลยอยู่ในตําราวภิธรรมเลยค่ะ กรณีเป็นทั้งคนคิดมากแล้วก็รักสบายนี่ต้องทายัางไงล่ะนะของะคนเนี่ยคิดมากอย่างรุนแรงไปดูจิตไหมให้ดูจิตเป็นหลักนออ<ล>ะอาจารย์ดูจิตไหมต่อไปออหลวง พ, พ่อพบอย่างหนึ่งนะหลวงปู่ ด, ดุลเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่อาศจรมากมากเลยครูบาอาจารย์ที่แปลกประหลาดมากๆเลยท่านไม่พูดเยอะอย่างถ้าเราไปถามกรรมฐานเนี่ยท่านไม่ตอบง่ายๆนะท่านจะนิ่งไปนานหรือบางทีตั้งชั่วโมงนะ แล้วพูดออกมาประโยคสองประโยคถ้าเราทําตามนั้นเราเจริญเลยถ้าเราไม่ทําตามนั้นทําไงก็ไปไม่รอดเลยนะเพราะฉะนั้นของคุณนะถ้าหลวงปู่เคยสอนบอกให้มีผู้รู้นะ mm hmm. ก็ให้ฝึกให้มีผู้รู้ขึ้นมาแต่อย่าคิดว่าตัวผู้รู้เนี่ยจะเป็นทางทําให้หลุดพ้นนะตัวผู้รู้เป็นแค่เครื่องมือสําหรับการเจริญปัญญาเท่านั้นเองทําไมจะไม่มีในพระไตรปิฎกจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบกิกบานคือจิตที่ทรงสมาธิที่ชื่อลักคนูปนิชฌานนั่นแหละนะ หนาต่อไปอหนูก็เป็นคนคิดมากค่ะือเป็นคนคิดมากเหมือนกันคิดโมโหไหมหรือไม่มากไม่มากไม่มากก็ดีฟุ้งซ่านค่ะจะฟุ้งซ่านมากใช่ไหมหรือไงค่ะใช่ค่ะเออถ้าจิตฟุ้งซ่านมากทําไงดีดูจิตหายใจไปหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่หนีไปหายใจไปแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปนะแล้วจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมา พอจิตตั้งมั่นมานะจะดูกายถ้าเห็นกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตมันเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปว่าตัจิตนี้มันทํางานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราดังนั้นหายใจนะแล้วก็จิตหนีไปแล้วรู้ทันจะได้จิตที่มีสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตมีสมาธิแล้วถึงจะเจริญปัญญาคือจิตตั้งมั่นก่อนถึงจะเจริญปัญญาขอบคุณค่ะกลาวนมัสการหลวงพ่อค่ะ หนูตั้งใจมาที่นี่เพื่อมาถามคำถามดึงโดยเฉพาะเลยค่ะที่คือวันนี้หลวงพ่อเทศเรื่องเกี่ยวกับจิตเยอะนะคะแล้วก็หลวงพ่อพูดเรื่องของปัญหาการที่เราตีความคำสอนของครูบาอาจารย์ผิดพลาดไปบ้างนะคะอันนี้หนูก็เลยอยากขอความเมตตาจากหลวงพอ่อค่ะช่วยอธิบายว่าจริงๆแล้วการดูจิตเนี่ยมันคืออะไรเหรอคะ คำว่าดูจิตดูจิตนะจริงๆมันก็คือคําว่าเห็นคําว่าดูเนี่ยเราพูดไปอย่างนั้นเองนะคำที่ถูกต้องคือคําว่าเห็นเห็นเนี่ยภาษาบาลีเรียกปัตสนะถ้าวิปัสสนาวิปัสนาเนี่ยคือการเห็นแจ้งเห็นตรงความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ถ้าเราจะดูจิตดูใจเนี่ยไม่ได้ไปดูตัวจิตนิ่งๆอยู่เราต้องดูความเป็นไตรลักษณ์ของจิตให้ได้นี่จิตเนี่ยไม่มีรูปร่าง อย่าสิ่งซึ่งไม่มีรูปร่างเนี่ยเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้ตายไปเราก็ไม่รู้มีอยู่เราก็ไม่รู้งั้นเราจะไปดูตัวจิตตรงๆไม่ได้เราต้องอาศัยดูผ่านกายของจิตนะเรียกว่าจิตตสังขารนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าจิตดวงนี้โกรธจิตดวงที่โกรธเกิดแล้วดับไปจิตดวงไม่โกรธเกิดขึ้นจิตดวงที่ไม่โกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในนี้นเราถือจะเห็นจิตมันเกิดดับได้งั้นการดูจิตเนี่ยไม่ใช่ไปดูตัวจิตตรงๆ ถ้าอยู่ๆพยายามจ้องตัวจิตนะ้นจะว่างๆไม่มีอะไรให้ดูเลยเพราะจิตนั้นไม่มีอะไรให้ดูเราอาศัยการดูผ่านจิตสังขารดูผ่านเวทนาจิตดวงนี้สุขจิตที่สุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเป็นจิตเฉยๆจิตเฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเป็นจิตทุกข์อะไรเงี้ยนะดูอาศัยผ่านเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์บ้างอาศัยผ่านสังขารความปรุงดีปรุงชั่วบ้างจิตดวงนี้มีความเพียรจิตดวงนี้ขี้เกียจอะไรเงี้ย เราจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงแต่ละดวงไม่เหมือนกันนะตรงนี้เราจะทําให้เราค่อยๆเห็นได้ค่อยๆรู้ได้ว่าจิตนั้นมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเราถึงจะเห็นไตรลักษณ์ของจิตอย่าไปดูตัวจิตตรงๆนะหลวงป่ดูลย์บอกเอาจิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจองั้นคำว่าดูจิตดูจิตน่นก็คือคอยรู้ทันความรู้สึกนานาชนิดที่แปลกปลอมขึ้นในจิตใจแล้วก็จะเห็นเลยว่าเออจิตสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตทุกข์ก็อยู่ชั่วคราว จิตดีจิตร้ายก็อยู่ชั่วคราวนะนี่เรียกว่าดูจิตนะอย่างที่เหมือนอย่างที่เขาเรียกว่าที่เราเห็นจริงๆคืออาการของจิตหรงอไงหรือเปล่าใช่รู้ทันความปรุงแต่งของจิตนะแต่ไม่หลงตามอาการหลงตามอาการของจิตก็คือเข้าไปปรุงแต่งจิตซะเองนะเช่นจิตธรรมชาติของจิตต้องคิดต้องนึกต้องปรุงต้องแต่งจิตมีธรรมชาติปรุงแต่งนะไม่ใช่จิตมีธรรมชาตินิ่ง งั้นถ้าเราจะแทรกแซงอาการของจิตทีก็คือฝึกจิตให้ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนั้นแหละแทรกแซงอาการของจิตไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานออีกปัญหาหนึ่งอ่ะปัญหาปัญหาเดียวกันกับตะ ก, กี้เนี่ยเอออย่างปัญหาของคนที่เขาดูจิตอ่ะอย่างที่เวลาลวหลายๆคนเขามาส่งกันบ้านแล้วก็หลวงพ่อก็จะบอกว่าอจิตยังไม่มีกําลังหรือว่าจิตยังไม่ถึงฐานนะคะอืะ อ, อย่างนี้มันหมายถึงอว่าขาดสมาธิ นะต้องมีสมาธิซะก่อนแตสมาธิมีสองชนิดนะสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้เอาไว้พักผ่อนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานทีครูบาอาจารย์จะเรียกว่าผู้รู้ผู้รูนะ้เราต้องฝึกให้จิตมีสมาธิชนิดนี้ขึ้นมาวิธีที่จะฝึกก็คือถ้าจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันนะพุโทโธไปเรื่อยๆพุทโธไปพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิด ร, รู้ <c oughs> พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรรู้ฝึกอย่างนี้นะจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้ถ้าสมาธิเราไม่พอคือเราดูจิตได้ไ ม, ไม่ได้ไม่ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นนะแต่ถ้าสมาธิที่ใจไหลไปนั้นดูอะไรก็ไม่ได้ดูไกล ก, ก็ไม่ได้ถ้าจิตตั้งมั่นนะถึงจะดูไกลดูจิตได้แต่เวลาตั้งเนี่ยไม่ได้ตั้งตลอดเวลานะตั้งเป็นขณะขณะพอแล้ว เช่นจิตไหลไปเรารู้สึกจิตไหลไปรู้สึกฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเพราะว่าจิตที่ไหลไปก็อยู่ชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาก็อยู่ชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้อย่างนี้แหละเรียกว่าการปฏิบัติเจริญปัญญาด้วยการดูจิตไม่ใช่ไปทําให้จิตนิ่งๆนะต้องมีไตรลักษณ์ให้ดูอีกนิดหนึ่งค่ะจิตหนูขนาดนี้กับตะกี้เหมือนกันไหม ตะกี้ไหนคะเมื่อตอนเริ่มคุยกับหลวงพ่อกับขนาดนี้ยจิตจ<า>เหมือนกันหรือเปล่ายังไม่ได้ค่ะอย่าให้ใจมันล่องลอยดังนะพยายามใจมันกลับมาอยู่กับเนอับตัวไว้ถ้าใจลอยลอยลอยไปคิดตอนเริ่มคุยกับหลวงพ่อตื่นเต้นมากไหมตื่นเต้นมากเออตื่นเต้นมากแล้วกดเอาไว้ไหมมันแน่นแน่นไหมเดี๋ยวนี้มันแน่นเท่าตะกี้ไหม น่าจะเบากว่าไหน่เะเห็นไหมดูเป็นนะไม่ใช่ดูไม่เป็นแต่ละเลยที่จะดูเห็นไหมหลวงปู่โดนบอกว่ามันไม่ยากหรอกะการปฏิบัติไม่ยากหรอกจริงๆไม่ยากจริงนะอย่างหนูจิตหนักหนูรู้จิตเบาหนูรู้นะหนูเห็นในจิตนี้ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบาจิตเบาก็มีความสุขเห็นไหมจิตหนักก็มีความทุกข์เห็นไหมจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตสุขก็ไม่เที่ยงเนี่ยเฝ้าดูไปเรื่อยๆแค่นี้ก็ได้แล้วล่ะอย่าคิดเยอะ อ้าต่อไปคือเพื่อเจ้ายังไม่หมดค่ะฮะมีกี่ข้อข้อให้ถามได้กี่ข้อข้อเดียวค่ะแต่ว่ายังถามไม่หมดค่ะอ้าวเหลอนี่ข้อเดียวนะมีข้อย่อยอ้าหนูมีข้อย่อยเท่าไหร่อ่าข้อหนึ่งย่อยอันนี้สุดท้ายแล้วค่ะอ่เอามาข้อหนึ่งย่อยก็คืออย่างถ้าถ้าสมาธิเราไม่พอแล้วแบบจิตเราไม่มีกําลังค่ะเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้มันไม่พอแล้วต้องทําเพิ่ม คือถ้าเมื่อไหรเราลืมกายลืมใจนะมีกายแล้วก็ลืมมันมีใจแล้วก็ลืมมันแสดงว่าไม่พอลนะ้ถ้าเรายัางรู้สึกเห็นความเคลื่อนไหวของกายเห็นความเคลื่อนไหวของใจได้ก็เรียกยังพออยู่แต่การทําความสงบจิตให้จิตตั้งมั่นเลยเนี้ยเราควรจะทําทุกวันอยู่แล้วแบ่งเวลาส่วนหนึ่งเอาไว้ทำนะสินาที15นาทีพุโทโธไปหายใจไปจิตเคลื่อนไปแล้วรู้อะไรเงี้ยฝึกทุกวันทุกวันถ้าไม่ฝึกเลยนะ่าลำบากนะแรงไม่พอ แล้เวเพาะที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าจิตเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเราไม่สามารถดูเปนได้นี่ก็คือเขาก็พูดถูกแล้วใช่ไหมครถูกจิตไม่มีรูปร่างนะแต่เราอาศัยสิ่งที่เรียกว่าจิตตสังขารเนี่ยคือสังขารของจิตก็คือความความปรุงแต่งของจิตนั่นแหละทําให้เรารู้ทางจิตสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตตานุปัสสนานะมีนะไม่ใช่ไม่มีแล้วอยู่ในคำภีร์อยู่ในอริธรรมมีทั้งนั้นเลยสิ่งเหล่าเนี้ยการดูจิตก็คือ ดูดูนามธรรมดูดูนามธรรมดูจิตมีสองขั้นตอนดูจิตอันแรกทําให้เกิดสมาธิชนิดตั้งมั่นพอได้สมาธิแล้วถนัดดูกายก็ดูกายถนัดเวทนาดูเวทนาถนัดดูจิตก็ดูจิตดูจิตอีกอย่างหนึ่งให้เกิดปัญญาอันนั้นดูความเกิดจับของจิตซึ่งดูตรงๆไม่ได้ต้องดูผ่านเจตสิกสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตหรือดูผ่านอายตนะ จิตที่เกิดที่ตาก็ดวงหนึ่งจิตที่เกิดที่หูจมูกลิ้นกายใจกละดวงกันะอย่างนั้นเราถึงจะเห็นความเกิดดับของจิตเพราะตัวจิตตรงๆไม่มีรูปร่างจบแล้วค่ะค่ะหลวงพ่อหนูมีปัญหาว่าก่อนหน้าเนี้ค่ะหนูจะพอฝึกมาเรื่อยๆแล้วหนูรู้สึกว่ากายมันทุกข์มากแล้วก็มีปัญหาว่ามันรู้สึกเหมือนมันเป็นมันเป็นหนุมต้องแบกรับภาระมันไว้อ่ะค่ะแล้วช่วงนั้นมันก็ ทุกมากแล้วมันก็เหมือนหนูว่ารู้รู้รสึกว่ามันเบื่อหน่ายมากก็มีความโกรธรวมอยู่ด้วยอะคะ่ะทีนี้หลังหนูก็ดูมาเรื่อยๆพอหลังจากคลายออกจากตรงนั้นแล้วมันรู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านมากและมาถึงขนาเนี้ค่ะหนูก็พยายามระหว่างวันหนูก็จะดูการเคลื่อนไหวของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะคอยรู้สึกตัวแล้วก็คอยบริกรรมบ้างแล้วก็ฟังซีดีที่หลวงพ่อเทสอะค่ะ แล้วก็แล้วไอ้ตอนเย็นอ่ะหนูก็สวนมนนั่งสมาธิแค่นี้มันพอไหมคะต้องเพิ่มเติมอะไรไหมคะทำได้ทุกวันไหมถ้าพย <ทำ S 1> ายามเม่รู้สึกนะทำให้สม่าเสมอน ะ, ะสิ่งที่ขาดอาจจะเป็นความสม่าเสมอนะแบ่งเวลาไว้เลยถึงเวลาเราพอหนังเรานะมันขาดกำลังอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้มนไม่มีแรงค่ะใ ช, ะใช่มันมาถูกทางหรอกนะแต่มันไม่มีแรง เห็นต่อดว่ากายกับใจเป็นโคล่านเห็นค่ะเห็นไหมสุขทุกข์กับจิตก็โคล่านเห็นค่ะนัเห็นหมดแล้วล่ะแต่มันไม่มีแรงอ๋อค่ะแรงน้อยไปเพราะว่ามันเป็นอยู่นานเหมือนกันนะคะหนูก็สงสัยก็รู้ทันนะว่าจิตยังออกนอกอยู่ค่ะถ้าจิตยังเคลื่อนไปจิตไม่ไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมันค่ะเราก็มาพุทโธพุทโธนะจิตเคลื่อนแล้วเรารู้จิตจะตั้งขึ้นมาเราทําแค่นี้แต่ทําสม่ําเสมอได้ใช่ไหมได้ค่ะในรูปแบบเราทำนะ ทำทุกวันมานค่ะครับนี่ครับก่อนุญาตส่งกันบ้านครับแปลกเจอหลวงพ่อแล้วใจเต้นหนักกว่าเดิมือเจอลุงพ่อแล้วใจเต้นหนักกว่าเดิม<ล>ครับก็ดีแล้วเอ็ก ซ, ซ์เซอร์ไซส์ครับผมปฏิบัติมาจะรู้สึกว่าผิดตลอดเวลาถูกแล้วครับมันก็แต่เห็นว่าก้าวหน้าตรงที่ตรงเห็นผิดเรื่อยๆนั่นแหละถูกแล้วครับ ถ้าปฏิบัติแล้วถูกตลอดเวลานะัไม่พัฒนาเลยท <c oughs> ีนี้ลืมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยสัญญาไม่เที่ยงครับ <c oughs> ก็แค่เห็นอตอนนี้อยู่กับรู้ลแล้วก็หลงตลอดทั้งวันแล้วก็มีเวลาเก็บรูปแบบเป็ น, <c oughs> เ, ปนเป็นบางช่วงนะครับอตอนนี้จิต อ, อยู่กับปัจจุบันหรือยังครับจิตเข้าฐานไหมล่ะ ก็เข้าครับขณะนี้เข้าไหมตอนนี้ไม่เข้าครับไม่เข้าถูกถ้าไม่เข้าก็ไม่อยู่กับปัจจุบันทีนี่ต้องตั้งมั่นเ่ออยู่กับปัจจุบันได้จริงครับตั้งใจว่าจะไปเก็บอุกิจต้นปีไม่ทราบตอนนี้พอมีแรงพอหรือยังครับต้องอะไรนะจะเข้าไปเก็บกรรมฐานนะครับเมื่อปลายปีหน้านี้ครับไม่ทราบตอนนี้จิตมีแรงพอหรือยังครับไปเก็บยังไงอ่ะ ก็เป็นการเดินจงกรมแล้วก็เป็นอุกฤษนะครับเดินจงกรม2ี่สิบชั่วโมงครับเอเหรอครับเออทนดี <c oughs> ทำได้ก็ไปทำนะหลวงพ่วไม่เคยเดินจงกรมถึง2ี่สบชั่วโมงเลยไม่เคยอยู่ในอิริยาบถใดถึงยี่สบชั่วโมงเลย หลวงพ่อครับตอนนี้จิตมันเจอความทุกข์มากแล้วมันก็ไม่ยอมดูตรงๆค่ะมันดิ้นหนีหาทางมันดิ้นหนีทุกข์ค่ะหนีทุกข์ก็ไม่พ้นทุกข์นะถ้ความคิดเกิดขึ้นเมื่อไรความทุกข์ก็ตามมาทุกทีจะห้ามจิตไม่ให้คิดก็ห้ามไม่ได้เพราะจิตมีหน้าที่คิดเพราะงั้นทำไงก็หนีไม่พ้นหรอกหนีไม่พ้นต้องสู้นะมีทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ใจให้รู้ทัน อยากให้ทุกข์หายไปรู้ทันความจริงไม่ได้อยากให้ทุกข์หายเราอยากให้ปัญหาหายมากกว่าใช่เปล่าไม่ได้ดูจิตหรอกแต่กาลังรุ้นว่าเมื่อไหร่ปัญหาจะหายนะให้รู้ทันนะใจปฏิเสธสิ่งที่แวดล้อมอยู่นะถ้าใจเห็นตรงนี้นะใจเข้าสู่ความเป็นกลางนะปัญหาก็ยังมีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์ยกตัวอย่างนะบางคนผู้หญิงผู้หญิงบางคน สามีนอกใจน่ปัญหายัางมีสามีนอกใจเป็นปัญหาคนหนึ่งทุกจะเป็นจะตายเป็นบ้าเป็นอะไรปะไปเลยค่ากันตายอีกคนหนึ่งไนดะ้รู้สึกตัวอยูนะ่ทุกก็เหมือนกันนะแต่ทุกตอนที่เผลอไปคิดก็รู้ใจมันค่อยถอยออกมาถอยออกมานะใจมันไม่ทุกเท่าไหร่หรอกใจมันไม่ได้อยากให้ปัญหาหายไปถ้าเราอยากให้ปัญหาหายไปเราก็ทุกทุกมากขึ้น แต่ถ้าเราเห็นว่าปัญหาเป็นเรื่องธรรมดามีปัญหาก็พยายามแก้ไปให้ดีที่สุดได้ผลแค่ไหนยอมรับในผลของการแก้ปัญหานั้นถ้าเราพอใจแค่นี้เราไม่ทุกข์มากพิจารณาไม่ยอมนะคือไม่ยอมปัญหาเป็นพราทิฏฐิใช่แล้วทำยังไงให้ทิฏฐิเราเบาบางลงะคะดูสิทุกไม่ทุกอะ่ะมันไม่เข็ดนะคะ ไม่เข็ดนะทุกไม่พอต้องทุกให้เข็ดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเลยถ้ามันเห็นทุกข์อย่างจริงๆนะมันโยนทิ้งเลยนะมันไม่เอาแล้วอย่างมันเกิดปิ๊งขึ้นมาสมมตินะไม่ใช่จ๋านะหมายถึงอย่างสามีนอกใจเนงะี้ยเห็นแล้วมันทุกขนะ์นั้นมันตัดสามีออกจากใจเลยจะไปอยู่ที่ไหนช่างแก่เหอะถึงเดือนจ่ายเงินเดือนมาก็แล้วกัน <laughs> อย่างเนี้ทุกข์มันก็น้อย งั้นทิ่งที่ทำได้คือก็โูนไปอย่างนี้ใช่ไหมคะรู้ไปไม่มีทางถอยหรอกนะต่อไปเดี๋ยวไม่ทันมัสการเจ้าค่ะคือขนาดนี้ก็พยายามที่จะรู้เจ้าค่ะแต่ว่าความทุกข์เนี่ยก็จะเข้ามาเหมือนกับมีแบบฝุ่นหัดก็คือข้างๆลัวตลอดเวล า, วาตอนนี้ก็คือภ า, าวนาแบบ ใช้บริกรรมเป็ น, น, นอิติปิโสยาวนิดนะคะเพราะว่าพุทโทรรู้สึกว่ามันสร้นแลด้ดดดค่ะแต่ว่าก็ขนาดเนี้ยก็คือมีบาัดที่ตัวเองเนี่ยจะต้องพยายามอดทนก็คือลูปเนียพยายามมามันกระแย่ตลอดเวลาแล้วก็โทรสาเนียก็จะมาอยู่เรื่อยแล้วก็จะเห็นว่าตัวเองเนียเริ่ม เ, เป็นคนปากร้ายหรือก็เห็น กิเลส ข, ของตัวเองเนี่ยค่ะเยอะแต่ก็แล้วไหลไปอยู่กับมันทุกทีก็เอาชนะมันไม่ได้ตั้งใจไว้การนสิทุกวันนะตื่นขึ้นมาก็ตั้งใจว่าจะรักษาศีลหไม่ล้นไปทางปากหรอกนะกลางวันก็ตั้งใจรักษาศีล5้านะก่อนจะกินข้าวนี่แหละกลางวันตั้งใจรักษาศีลหก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจอีกแล้วนะก่อนจะนอนก็ตั้งใจอีกวันหนึ่งตั้งใจอ ย, อย่างนี้หลายๆทีเป็นการเตือนตัวเองนะ ทำไมต้องตั้งใจไว้ก่อนกินข้าวหลวงพ่อเคยเจอบางคนตอนกินข้าวสำลักข้าวตายเ อ, อย่างน้อยก่อนตายให้มันมีศีลก่อนนะมีแม่ครัววัดแห่งหนึ่งรู้จักกันนะไปแล้วแกทำข้าวให้กินเรื่อยวันหนึ่งเขาบอกตายแล้วเป็นในตายกินข้าวตายกินข้าวแล้วก็ไอสำลักข้าวเข้าไปตายเลยแค่นี้ก็ตายแล้วดังั้นเราตั้งใจรักษาศีลเนืองๆ น, นะงั้นเราอยู่กับศีลเรื่อยๆใจเราก็มีความสุข แค่คิดถึงว่าชีวิตเรามีสีนะสมาธิก็เกิดละใจก็สงบละพอใจเราสงบเราก็ดูกายดูใจต่อไปกับปัญญาก็เกิดแล้วก็คืออยากจะลองอทำสมาธิอย่างที่หายใจเข้าไปแล้วไปกำหนดอยู่ที่ตรงท้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะบบ้างจะได้ไหมเจ้าคะหรือว่าไม่ต้องไปทำแล้วแต่ถนัดนะแล้วแต่ถนัดหลวงพ่อตอนก่อนฝึกอนาปนาสตินะ หลวงพ่อไม่ได้ตั้งฐานหลวงพ่อแค่รู้ลมหายใจแต่เบื้องตอนน้นอารมณ์มันจะยาวมันจะลึกลงไปนะแต่มาพอจิตเริ่มสงบเนี่ยลมค่อยละเอียดละเอียดขึ้นลมจะตื้นขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไปตรึงอยู่ที่ท้องไม่ปิดเพ่งอยู่ที่ท้องหลวงพ่อแค่รู้สึกถึงลมเท่านะั้นมันจะตรงกับที่พระเจ้าสอนดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้หายใจออกยาว หายใจเข้ายาวให้รู้หายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นให้รู้หายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นให้รู้หายใจเข้าสั้นลมหายใจระงับรู้ว่าลมหายใจระงับลมหายใจมีขึ้นมาอีกรู้ว่ามีขึ้นมาท่านไม่มีคำวมาฐานตั้งฐานตรงที่ตั้งฐานตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอุบายของครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านท่านเคยตั้งตรงนั้นแล้วสมาธิท่านดีท่านก็เลยมาสอนแต่ว่าถ้าศึกษาคาสอนกลางของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีการตั้งฐาน ท่านให้รู้ที่ลมท่านเองลมยาวก็รู้ว่ายาวลมสั้นก็รู้สั้นลมหายไปก็รู้ว่าหายไปถ้าจิตมันจะรวมขึ้นมางั้นรวมยากนะมันจะไปเพ่งอยู่เพ่งอยู่ที่ท้องไปเรื่อยๆอ่ะต่อไปกลับกลับหลวงพ่อครับมีมีคำหลักสอข้อครับข้อแรกครับอ่าที่ผมปฏิบัติมาถูกต้องไหมครับโอ้ปฏิบัติจะถูกนะถ้าไม่ปฏิบัติผิดแล้วเห็นกิเลสไหมล่ะ อ่เห็นเรื่อยๆครับอกูเก่งเห็นไหม ม, มีไหมมีเห็นบ้างครับอกิเลสตัวไหนเด่นกิเลสตัวไหนเด่นปกติแล้วจะชัดคือเวลาหลงไปโลภะครับอืมถ้าโลภะเด่นนะก็รู้ทานโลภะบ่อยๆโลภะเกิดก็รู้โลภะดับก็รู้นะฝึกเรื่อยๆจิตถึงฐานหรือเปล่าอ่า ตอนนี้คงไม่ถึงครับแต่ว่ามันจะมีถึงบ้างไม่ถึงบ้างล<อ>ตลใดไปถึงบ้างไม่ถึงบ้างถ้าถึงแล้วรู้ว่าถึงเนาะถ้าไม่ถึงจิตออกนอกรู้ว่าจิตออกนอกถึงจะใช้ได้เห็นครับข้อสองครับคือด้วยหน้าที่ทางทางโลกครับคือผมอยากถามหลวงพ่อครับว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของอิทธิบาทสี่แต่ละตัวครับอิทธิบาทสี่แต่ละตัวเนี่ยนะ คุณไม่ต้องสนใจตัวอื่นเลยถ้าคุณมีฉันทะในการปฏิบัติเนี่ยนะวิริยะจิตตาวิมังสาจะตามมาเองเลยจุดที่ว่าเรามีความพอใจไหมมีความพอใจที่จะปฏิบัติไหมนะหรือทางโลกก็เหมือนกันถ้าเราพอใจในงานของเรานะวิริยะก็เกิดเองถ้าเราไปทางานที่เราเกลียดไม่มีฉันทะเลยนะวิริยะก็ไม่มีจนะิตตาวิมังสาหายหมดเลย แต่ว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดฉันทะผมว่ามันบังคับไม่ได้อะครับบังคับไม่ได้ต้องน้อมใจเอานะสังเกตเอาบางทีก็ต้องอาศัยศรัทธามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้พระพุทธเจ้าอุตสาหสอนมาลําบากนะเราทนเราหน่อยทําเอาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย น, นะค่อยๆฝึก ต, ต, ต่อไปพอเริ่มเห็นผลนะมันจะมีฉันทะขึ้นมาคือในด้านธรรมะผมมีอยู่แล้วครแต่ว่าในเรื่องของหน้าทีการงานคื อ, อต้องคิดว่าเราจะต้องไม่โกงคนอื่น หน้าที่การงานเนี่ยอย่างเขาจ้างเราทำงานเราต้องทำนะทำตามหน้าที่ไม่งั้นศีลเราดัางพ้อยนะอย่างเอาเวลางานไปช้อปปิ้งเนะีลดัางพ้อยแล้วนะ<ม>เขาเขาจ้างเราทำงานเขาจ่ายเต็มเขาไม่ได้หักเวลาช้อปปิ้งอะไรเงี้ยนะถ้าเราคอยคิดระวังเรื่องศีลของเราตั้งอกตั้งใจทำงานไปนะถ้ามีโอกาสเลือกงานที่มีความสุขเรื่องงานที่ชอบ ถ้าไม่มีโอกาสจําเป็นต้องทําก็ทําไปตามหน้าที่ตั้งใจทําจําเป็นต้องทํำก็เพราะว่าของพ่อแม่ครับเหลอทําไปแต่ว่าเรือร่องการจะทำโน้มใจยังไงให้มันเกิดชันท้าอย่างเงี้ยครับค <c oughs> ิดว่าเราอย่ารับใช้พ่อแม่ไปตั้งใจไว้ว่าเราทําหน้าที่อยู่กับโลกต้องทําหน้าที่นะไม่ใช่ทําตามใจครับขอบคุครับ